พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้ดีสำรวมใจนี่แหละสำคัญมากถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วก็ทำความดีไม่ได้เลยจะเป็นความดีในขั้น ตำขัน้นกลางขัน้นสูงอะไรก็ไม่ได้ใจตรงนี้สำคัญมากให้พากันรักษาเอาคิดว่าเราเกิดมาเพื่อมาฝึ ก, กจิตตรงนี้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้น นึกอภิจารณาในตนเองอย่างนี้รู้สึกสำนึกตนว่าต น, นายังไม่ฉลาดพอจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้จิตใจตนก็ยังไม่เข้มแข็งพอมันจึงเอาชนะกิเลสไม่ได้ ต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้ก่อนคนเรานะถ้าหากว่าไม่นึกถึงตนได้อย่างนี้นี่มันจะไม่พอใจทำความเพียรจะไม่พอใจทำความสงบใจคนส่วนมากมันก็ตกเป็นทาสของกิเลส ปล่อยให้กิเลสมันจูงใจไปตามลำพังของกิเลสเมื่อนี่ผู้มาตื่นตัวได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นครืหัดก็ตามก็ไม่ควรที่จะไปปล่อยให้ เวลามันล่วงเลยไปเสียเปล่าโดยไม่ได้ทำความเพียรชำระตนให้สะอาดอันนี้ก่อนบว่าเกิดมาเสียเปล่าไม่สามารถจะทำตนให้เป็นสุขได้ เพราะคนเราจะมันจะเป็นสุขได้ก็เพราะใจมันสงบใจมันสะอาดไม่มัวหมองแล้วมันมีปัญญารู้จักสอนจิตของตนให้ปล่อยให้วางความยึดความถือต่างๆนี่คนเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริง มันต้องมีปัญญานะคนสุดท้ายนะปัญญามันต้องเกิดจากความสงบใจปัญญาเกิดจากอย่างอื่นนั้นยังไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่นะว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญ อ น, นี่การที่จะทำใจสงบลงได้มันก็ต้องกำจัดบาปโทษต่างๆออกจากกิจเสียกรที่ท่านเรียกว่าศีลนั่นนะ่ะ น, นั่นแหละถ้าว่าไม่สมทานมั่นในศีลแล้วไปทำบาปอยู่นี่ บาปกันมันก็มาขัดขวางไม่ให้จิตนี้สงบลงได้ ม, มารบ ก, กวนให้จิตนี้ฟุ้งซ่านเรื่อนร้อยเป็นคนใจดำอมหิตไปมันจะทำใจสงบลงได้อย่างไรใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูท้ที่มุ่งหวังความสุข อันเป็นแก่นสารโดยแท้จริงแล้วมันก็ต้องสกัดกั้นบาปอกุศลต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะ แล้วก็ระมัดระวังเลยไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นเช่นนั้นลหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สกัดกั้นบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นในตนคนสนมากนี่มันไม่เป็นอิสระสูนตัวนะเนียเอากิเลสว่านี่เนี่ย สุลตะกิเล่มันจูงให้ไปทำอะไรก็ไปตามมันมันจูงให้ไปทำบาปทางกายสินค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเดิมสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นอะไรมัน้นี่ก็ทำไปตามอำนาจแห่งตัณหาความอยากอันเกิดขึ้นในใจนั่นนะ ตันหามันกล่อมใจให้ใส้วาจาพูดเท็จพูดตอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเล็วไหลก็ทำไปตามพูดไปตามอำนาจของตันหาความอยากนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละ แดังนั้นทุกคนต้องให้สันนิฐานดูให้เข้าใจพูดเท็จนี่คือพูดคําไม่จริงเรื่องใดที่มันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงล่ะไปปั้นขึ้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้นะเพื่อจะให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดไปให้เขาเสียทรัพย์เสียสิน ให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรหมู่นี้นะเนี่ยเรียกว่าพูดเท็จต้องให้เข้าใจไว้แต่ถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จเส้นอย่างว่าเราพูดไปแล้วมันเกิดเผลอไปพูดเรื่องไม่จริงขึ้นมา ภายหลังจึงรู้ตัวอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นเรื่องพูดเท็จอันนั้นเพราะไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันก็เป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละความสะเพร่าวความเผลอเลอนเ ล, เลอ่อมันก็ไม่ดีเหมือนกันเผลอบ่อยๆออ <c oughs> การไปพูดสอเสียดยุยงให้คนอื่นแต่คราวสามัคคีกัน อันนี้ท่านก็ว่ามันเป็นบาปนะ น, นั้นต้องรู้ไว้อย่าไปสอบสนใจกับเรื่องของคนอื่นใครมาสนใจกับเรื่องของตอนนี้ให้มากๆเรื่องคนอื่นนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของใครของเรารักษาตัวเอาเองอย่าไปกังวลกับคนอื่น เดวบางคนเน่ะเกลียดคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วก็หาทางไปยุเย ใ, ให้เขาทะเลาะกันให้เขาชิบหายเสียหายอะไรไปทำนองนั้นเดียยวไปคิดก่อความพินาศให้แก่คนเอินนั่นท่านเดี๋ยวพูดส่อเสียด นำเอาเรื่องคนนี้ไปพูดให้คนโน้นฟังนำเอาเรื่องคนโน้นมาพูดให้คนนี้ฟังเรื่องกับเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องชวนให้เขาทะเลาะกันนี่คำว่าพูดสอดเสียดต้องเข้าใจเป็นบาปเป็นโทษอย่าไปพูดพูดคำหยาบด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกัน พูดเปรียบเปยกันต่างๆ น, น, นานาไอ้อนี่มันความประพฤตเหมือนกับสุนัขอะไรมูนี้นะเหมือนกับวัวกับควายมูนี้คำพูดอย่างนี้ท่านโลกเขาถือว่าเป็นคำหยาบเอาคนไปเปรียบใส่สัตว์ดิริชาน มันก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้นั้นทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นโมนีท่านเรียกว่าคำหยาบคำเพ้อเจ้อเลวไหลอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวาจาที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พูดตั้งหลา ย, ลายคำแล้ว ผู้รู้ทั้งหลายมาพิจารณาดูจะจะหาเอาเป็นสาระแก่นสารสักคําหนึ่งก็ทั้งยากมีแต่เรื่องเหลวไหลไปเปล่าๆอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจอ้อเรงนั้นต้องให้เรียนรู้ไว้อย่าไปหัดพูดเพ้อเจอ้ออย่างนั้นเสียเวลาเปล่าๆ พูดไปแล้วผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้อะไรโ <c oughs> มนี่นะเป็นหนะ้าที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความประพฤติ ท, ทางกายวาจาเนี่ยให้มันเรียบรย้อยเมื่อศึกษารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันมีโทษ อย่างนี้แล้วก็เว้นนะหัดเว้นมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอย่าเผลออย่าอย่าให้มันพลาดไปทำไปพูดผิดไปอย่างนั้นอันผู้ที่จะฝึกฝนจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงรับได้มันก็ต้องฝึกกายวาจานี้ให้สงบระงรับ จากบาปโทษมนทินเสียก่อนดังนั้นจึงสามารถที่จะน้อมใจลงสู่ความสงบได้เพราะบาปไม่ติดตามรบกวนใจมันจึงสงบลงถ้าไปสะสมบาปไว้แล้วบาปมันติดตามรบกวนขัดขวางจิตนี่สงบลงไม่ได้เลย ต้องให้เข้าใจในบุคคลผู้ไม่สำรวมในศีลแล้วความโลภมันก็เกิดขึ้นหนาแน่นขึ้นอย่างนี้นะความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นความหลงความเมาอะไรมันก็หนาแน่นขึ้นในใจลองสังเกตดูนั่นเ่ง <c oughs> ผู้ใดช่างสังเกตช่างวินิจฉัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้แล้วกับผู้นั้นก็รู้นะรู้แหละรู้ว่าสาเหตุที่คนเราจะทำบาปได้มันมาจากอะไรอย่างนี้นะมันก็รู้นั่นแหลสาเหตุที่ใจจะสงบลงไม่ได้ เพราะอะไรมันก็รู้ถ้ายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินเราไม่เดินออกนอกทางแห่งคำสอนของพุทธเจ้าแลวจะไปควาให้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์บังคับปัญชาควบคุมอยู่นั่น เพื่เชิงจะละความชั่วทำความดีไปได้อย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่มีใครหรอกจะไปควบคุมบังคับบัญชาใครอยู่ตลอดเวลาไม่มีเ <c oughs> มื่อก็มีแต่แนะนำสั่งสอนบอกแนวทางข้อปฏิบัติให้ เท่านั้นเองเนี่ยเมื่อจำได้แล้วก็เอาไปฝึกตัวเองเข้าไปถ้าหากว่าใครประมาทก็ไปล่วงศิลไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปทางทางกฎหมายเขาก็เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเขาก็ต้อง จับไปฟ้องร้องให้ศาลลงโทษไปตามความผิดนั่นๆถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ถ้าไปล่วงวินยัยล่วงศีลเข้าไปอย่างนี้มันก็ต้องรู้ตัวตนต้องอาบัตอะไรหนักหรือเบา ถ้าเป็นอาบัตเบาก็ต้องแสดงต่อหน้าภิกษุรูปหลายรูปหนึ่งถ้าเป็นอาบัตหนักหรืออาบัตอย่างกลางนี้มันก็ต้องแสดงต่อสงฆ์แจ้งต่อสงฆ์ให้ทราบแล้วก็ขออยู่ปริวาติสกรรมมานักอะไรอภิธานไปตามกฎแหง ข้อบรญยัตินั้นๆนอย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะเป็นนักบวชก็ต้องมีวินัยของนักบวชเป็นเครื่องบังคับกายวาจาของตัวเป็นครือหัดก็มีวินัยของครือหัดเป็นเครื่องบังคับกายวาจาเช่นเดียวกันแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลา จิตใจนี่ให้สะอ า, ปาดปราศจากหมนทินโทษต่างๆมันเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนานี่ให้พึ่งพากันศึกษาถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบัญญัติพระวินยัยไม่ได้ทรงแสดงธรรมให้มากมายไกลกองอย่างนั้น กลัวว่าคนเราเนี่ยจะละกิเลสปาประธรรมออกจากดวงกิจนี่ได้มันก็ต้องมีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละแต่เมื่อพูดสั้นๆลงแล้วกับมาคาว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติถ้าไม่คนเราทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจานั่นแหละ สิ่งใดเป็นความชั่วในลําพังแต่ตนเองน่ะไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยพุทธวิ ญ, ญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นต้องศึกษาให้รู้อย่างนี้นะเมื่อเมื่อรู้พุทธวินยตห้ามไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ล่วงเกินเพราะว่าที่ทรงห้ามไว้นั้นล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปถ้าสิ่งใดไม่เป็นบาปพระองค์เจ้าไม่บัญญัติถ้ามหรอกต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อผู้ที่ได้ศึกษาเข้าใจเรื่องวินัยแล้ว น, นี่ก็รักษากายวาจาของตนไปตามพุทธัญญัตนันแล้วก็ไม่มีโทษแต่กิเลสมันก็ยังไม่หมดเพียงแต่ ไม่ร่วงเกินพุทธวญัติเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมะเข้าให้ผู้ฟังทั้งหลายได้จุดจาเอาธรรมะอ น, นั้นไปสอนใจตัวเองให้ใจนั้นมันเป็นธรรมโน้มใจไปในทางธรรมะนั้นให้ได้อย่าโน้มใจไปในทางกิเลส ต้องให้เข้าใจบางคนก็ว่ามัวแต่ไปเรียนธรรมจำธรรมะอยู่ยนั่นมันก็เป็นอุปท า, านเนี่ยใจมันจะสงบได้อย่างไรบางคนก็เห็นไปอย่างนั้นเลยไม่ศึกษาธรรมะเลยเอาใจนี่แหละว่าจริงอยู่ เอาใจว่าแต่เมื่อใจของตนไม่ไม่ฉลาดละ่ะไม่ได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าไม่ไม่รู้ธรร ม, มะเลยจะไปเอาปัญญาที่ไหนแล้วมาสอนใจให้ละกิเลสได้ฮะมีแต่ใจอย่างเดียวอ่ะนั่นแหละมันไม่ใช่มีแต่ใจอย่างเดียวเลยกิเลสมันก็มีในใจนนะมันเป็นอย่างนั้นอันกิเลสนี่ มันจะระ ง, งับไปได้มันต้องระ ง, งับไปด้วยธรรมะมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วเส้นความโกรธมันจะระ ง, งับไปได้ในขั้นต้นนี่นะมันก็ต้องอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันจเจริญเมตตาบ่อยๆจนเกิดความรู้สึกขึ้นว่า ผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูของตนหรอกมีแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นแหละนน่นเจริญเมตตาไปจนให้เกิดความรู้สึกในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างนั้นนะ่ะมันมันจึงบรรเทาความโกรธลงได้เมื่อไปเห็น คนบางคนหรือสัตว์บางตัวมันแสดงกิริยาหน้าเกลียดหน้าชั่งต่อตอนอย่างนี้นะตนก็ไม่เกลียดไม่โกรธเพราะว่ามนึกถึงกรรมของ ส, สัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมอะไรมากรรมอะไรมันก็แต่งจัญญากิริยามรารยาาให้เป็นไปอย่างนั้น น, นี่มารู้อย่างนี้แล้วมันก็ให้อภัยกันไป ไม่ไม่แสดงความเกลียดชังบุคคลที่แสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อตนอย่างนั้นนี่มันก็ทำให้ความโกรธมันเบาบางลงไม่ใช่เลยลองคิดดูถ้าบุคคลใดไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเลยมันไม่เบาบางลงเลยอาศัยเมตตาธรรมนี่ บรรเทาความโกรธให้เบาบางลงไปแล้วันนี้สุดท้ายนนปัญญานุนบันนี้จะถอนรากของความโกรธออกจากดวงกิจนี่ได้มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การลากกิเลสนะแม้ความโลภ ก, ก็เหมือนกันนะตมันก็อาศัยสันตุถีทำเถือสันตุถีตามมีตามได้ฝึก ดวงกิจอันนี้ให้มันเมื่อน้อยสันโดษตนได้สมบัติอันใดมาโดยทางที่ชอบมากก็ดีน้อยก็ดีกย็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นเขาจะมีมากกว่าตนก็ไม่เพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นเพราะว่าตน มานึกถึงบุญวาสนาบรารมีของตนมีเท่านี้ดนบันดาลให้อำนวยผลให้ตนได้มีทรัพ์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงเพียงเท่านี้แล้วก็ยินดีพอใจอยู่ตามนั้นเมื่อผู้ใดทำความยินดีในลาบยศของตนได้อย่างนี้แล้วความโลภมันก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ ต้องให้สังเกตดูมันเป็นอย่างนี้ดหะธรรมะ อ, ะอันเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหานะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจ ะ, สะแสดงไว้ทำไมล่ะธรรมะเรา้นี่ น, น, นี่ต้องให้เข้าใจธรรมะนี่ถ้าจะวเปรียบอุปมาหนึ่งก็เหมือนตัวยานี่หมอผู้ฉลาดรู้จักปรุงยาให้มันถูกกับโรคภัยของคนนะ่ะอ ถ้าคนป่วยลงแล้วไม่ยอมรับประทานยาที่หมอปรุงแต่งให้อย่างนี้โรคมันจะหายได้อย่างไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนผู้มีกิเลสมักดองอยู่ในใจิตใจมานับเป็นอเนกชาติแล้วลำพังแต่ปัญญาของตนนั้นไม่สามารถจะลากกิเลสได้เลยอันนี้ไม่ไม่ได้ศึกษา จดจำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามนะี่กิเลสตัณหามันจะเหือดแห้งไปได้อย่างไรอะ่ะก็ฉันนั่นแหละงนั้นต้องอย่าไปละเลยคนเราให้พากันสนใจธรรมะคำสอนสนใจในการฟังในการเรียนในการท่องการจำเอา เมื่อจำได้แล้วก็เอาไปสอนใจนั่นนะไม่ใช่จำไ้โกโก้เฉยๆอะ่ะเมื่อจำเรื่องบาปได้อย่างนี้นะก็เอาเรื่องบาปนั้นไปสอนใจนะทำอย่างนั้นเป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปทั้งชาตินี้ชาตินหน้าอย่างนี้เนะีนี่ไปสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมัน ถูกปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปมันก็ไม่พูดไปในเรื่องที่เป็นบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใจก็เหมือนกันนะใส่ปัญญาสอนคิดอย่างนั้นเป็นโทษนะคิดอย่างนี้เป็นเป็นการสะสมกิเลสขึ้นในใจอย่างนี้นะไม่ควรคิด เมื่อปัญญาสอนเข้าไปใจมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ระมัดระวังตัวไม่คิดไปในทางที่มันจะเป็นการสะสมกิเลสไ ห, หนาแน่นขึ้นในใจอืมเบงั น, นเหมือนอย่างพระพุทธภาสิต ท, ที่ว่าสังกัปปะราโคปุริสัตสะกามโม ความดำริไปในความรักความใคร่น่ะมันเป็นกามของคนพนวะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปอย่างนี้นี่เพราะนั้นผู้จำพุทธภาสิตนี้ได้แล้วก็ไปฝึกใจเข้าไปอย่าไปดำริไปในเรื่องรักเรื่องใครห้ามจิตไว้ให้ได้อย่างนี้นะเมื่อห้ามจิตไว้ได้ความรักความใคร่มันก็ครอบงมจิตไม่ได้ ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยคําสอนของผู้เทใเจ้านะเป็นของดีจริงๆอ่ะเป็นเครื่องระงับกิเลสได้จริงๆแต่คนเรามันถักไม่น้อมเอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองเนี่ยไม่น้อมเข้าไปสู่ดวงขิดนี้เป็นน้อมเอาแต่เรื่องที่อยเกิดกิเลสนั่นน่ะเข้าไปหมักหมมไว้ในใจนั้น เช่นนั่นแล้วจะให้จิตใจมันสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรอ่ะนั่นดังนั้นเราต้องน้อมเอาธรรมะนี่เข้าไปแทนกิเลสให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อน้อมเข้าไปมันก็เป็นเหตุให้จิตใจนั่น เปลี่ยนสภาพไปเส้นอย่างว่าผู้น้อมเมตตาธรรมเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้ใจนั้นเบิกบานอใจนี่เคยขุ่นมัวกับความเกลียดสั่งคนโน้นคนนี้มาแต่ก่อนนะหายไปความเอ็นดูกรุณาเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ มันจะไม่ทำใจให้เบิกบานได้อย่างไรล่ะก็มันมองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ว่าล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะไปเกลียดชังกันก็เกลียดชังกันไปแล้วมันก็มีตกรรมต่เวรรักกันดีกว่า ส่งเสริมกันสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันมีความสุขดีกว่านี่สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงไปสิมีทุกคนแหละความโกรธนี่นะอย่าว่าไม่มีอย่าไปนิ่งนอนใจให้พยายาม อบรมธรรมะนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กิเลสคือความโกรธเหล่านี้มันจึงเบาบางลงหรือความโลภมันจึงเบาบางลงไปหัดเป็นคนถือสันตุถีตามมีตามได้ตนมีเท่านี้ก็ยินดีเท่านี้คนอื่นมีมากกว่าก็ไม่อิจฉาเขาแล้วก็ตนก็ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเข า, าเป็นของตน ห้ามจิตของตนเข้าไปสอนจิตตนเข้าไปอย่างนี้นะขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นภาระอันหนักพอแรงอยู่แล้วแล้วอย่าไปคิดพอใจยึดถือเอาขันห้าของผู้อื่นมาไว้เป็นของตนอยากไปได้ขันห้านั่นมาชมเชยออ มากกอดมาจูบหรืออะไรหมดเนี่ยแต่ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นภาราหนักอยู่แล้วสอนใจเข้าไปปรงมันเสียเถอดวางมันเสียเถอดอย่างนี้นะเมื่อตอนรู้จักสอนใจตนได้อย่างนี้มันก็ปรงกวาวลงมันก็ไม่ไปผูกพันกับขันห้าของคนอื่นเข้าไปจิตใจก็ บริสุทธิ์ถึงซึ่งความสงบพระงับจากกิเลสตัณหาโดยลำดับไปดังแสดงมา